คำพีวิสุทธิมักปริเฉตที่ส4บสันทะนิเทศปัญญาคถาบัดนี้เพราะเหตุที่สมาธิที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงออกแล้วด้วยธรรมะโดยยกจิตเป็นประธานในพระคถ า, าว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญันจะพาวยังดังนี้เป็นต้นย่อมเป็นอันภิกษุผู้ประกอบด้วยสมาธิภาวนาอันแน่วแน่ มีอนิสงส์งอันบรรลุแล้วด้วยอำนาจแห่งอภิญญาอย่างนี้จเจริญแล้วโดยอาการทั้งปวงต่อแต่นั้นพึงจเจริญปัญญาในลำดับไปก็ปัญญานั้นไม่ใช่ทำได้อย่างง่ายนักแม้เพื่อจะรู้แจ้งเพราะทรงแสดงไว้โดยสังเขนักจะป่วยกล่าวไปใาญถึงการจเจริญเล่าฉะนั้นเพื่อจะแสดงความพิสดาร และนัยะแห่งภาวนาปัญญานั้นจึงมีปัญหาอย่างนี้ว่าอะไรชื่อว่าปัญญาที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัฏฐว่าอะไรลักษณะกิจผลเหตุใกล้ของปัญญานั้นเป็นอย่างไรปัญญามีกี่อย่างจะพึงเจริญอย่างไรการเจริญปัญญามีอานิสงส์อย่างไรพึงทราบวิสัชนาในข้อปัญหานั้นดังต่อไปนี้ ปัญหากรรมที่ว่าอะไรเป็นปัญญานั้นมีวิสัชนาว่าปัญญามีหลายอย่างต่างประการอันจะวิสัชนาชี้แจงปัญญานั้นไปทุกอย่างจะไม่พึงอย่างประโยชน์ให้สำเร็จทั้งจะพึงเป็นไปเพื่อความเฟือยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวหมายเอาปัญญาที่ประสงค์ในที่นี้เท่านั้นคือวิปัสสนาญาณอันสามประยุทธ์ด้วยกุศ ล, ลจิต เป็นปัญญาปัญหาว่าอะไรชื่อว่าปัญญาเฉลยว่าที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัธธว่าวรู้ชัดที่ชื่อว่ารู้ชัดนี้คืออย่างไรคือความรู้โดยประการต่างๆพิเศษยิ่งกว่าอาการคือความหมายรู้และความรู้แจ้งจริงอยู่ แม้เมื่อสัญญาวิญญาณและปัญญาจะเป็นความรู้ด้วยกันแต่สัญญาเป็นสักแต่ว่าความหมายรู้อารมณ์เช่นรู้จักว่าสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเท่านั้นแต่ไม่อาจให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้วิญญาณย่อมรู้จักอารมณ์ว่าสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นด้วย และยอมให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะได้ด้วยแต่ไม่อาจจะให้ก้าวหน้าไปถึงความปรากฏแห่งมรกได้ส่วนปัญญายอมรู้อารมณ์และให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะด้วยอำนาจแห่งนัยยะดังกล่าวแล้วทั้งให้ก้าวหน้าไปถึงความปรากฏแห่งมรดด้วยอุปมาเหมือนคนสามคน คนหนึ่งเป็นเด็กที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้จ่ายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูเงินเมื่อเขาเห็นกองเหรียญกรสาบที่เขาวางไว้บนแผ่นกระดานที่ดูเงินเด็กที่ยังไม่มีความรู้ย่อมรู้แต่เพียงว่าเหรียญกรสาบที่สวยงามยาวสั้นสี่เหลี่ยมหรือกลมเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าของชนิดนี้เขาสมมติว่าเป็นรัตนะ ใช้แลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมวลมนุษย์คนชาวบ้านย่อมรู้ว่าเหรียญกษะสาเป็นของสวยงามและรู้ว่าเป็นของที่เขาสมมุติเป็นรัตนะใช้แลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมวลมนุษย์แต่ไม่รู้จักเลือกว่าเหรียญ น, นี้แท้เหรียญ น, นี้ปลอมเหรียญ น, นี้มีราคาเพียงเครื่องหนึ่งส่วนเจ้าหน้าที่ดูเงิน ย่อมรู้ประการเหล่านั้นทั้งหมดและรู้จริงๆแม้ลาดูเหรียญกระสาบก็รู้ได้ฟังเสียงเคาะได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสช่างดูด้วยมือก็รู้และรู้จนกระทั่งว่าทำที่บ้านที่หมู่บ้านในเมืองหรือที่ภูเขาที่ฝั่งแม่น้ำชื่อโน้นและรู้จนกระทั่งว่าอาจารย์คนโน้นทำฉันใดอุปมาันนี้ก็พึงทราบฉันนั้น ก็สัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเหรือนกะสาบของเด็กที่ยังไม่มีความรู้เพราะถือเอาศักว่าอาการคือความปรากฏแห่งอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้นวิญญาณย่อมเป็นเหมือนว่าการเห็นเหรือนกะสาบของชาวบ้านเพราะถือเอาอาการของอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้นและให้ถึงการแทงตลอดลักษณะที่สูงขึ้นไป ส่วนปัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเรือนกระสาบของเจ้าหน้าที่ดูเงินเพราะถือเอาอาการของอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้นและให้ถึงการแทงตลอดลักษณะและให้ถึงความปรากฏแห่งมักแม้ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นความรู้โดยประการต่างๆที่พิเศษยิ่งกว่าอาการคือความหมายรู้และความรู้แจ้งนี่แหละพึงทราบว่า ความรู้ชัดคำแก้ปัญหาว่าที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัฏฐาวารู้ชัดดังนี้ข้าพเจ้ากล่าวหมายถึงความรู้ชัดนี้ก็ปัญญานี้นั้นเป็นธรรมชาติที่ละเอียดเห็นได้ยากเพราะมีความแตกต่างกันที่บุคคลแยกไม่ได้ว่าที่ใดมีสัญญาและวิญญาณที่นั้นไม่มีปัญญาโดยส่วนเดียว ก็ในการใดมีปัญญาในการนั้นปัญญาก็ยังแยกออกจากธรรมะเหล่านั้นไม่ได้ว่าน้สัญญานี้วิญญาณนี้ปัญญาเพราะเหตุนั้นพระนาคเษนผู้มีอายุจึงถวายพระพรแด่พระเจ้ามิลินว่ามหาบวพพิธพระผู้มีพระภาคทรงทาอะไรที่บุคคลทำได้ยากแล้วพระเจ้ามิลินตรัสถามว่า ท่านพระนาคเสณผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคทรงทำอะไรที่ทำได้ยากหรือมหาบวพิศการกำหนดธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีรูปคือจิตและเจตสิกที่เป็นไปในอารมณ์เดียวกันซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่านี้ผัสสะนี้เวทนานี้ปัญญานี้เจตนานี้จิตดังนี้ นั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากพระผู้มีพระภาคทรงทำแล้วในปัญหาข้อว่าลักษณะกิจผลเหตุใกล้ของปัญญานั้นเป็นอย่างไรนิพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมเป็นลักษณะ มีการกำจัดความมืดคือโมหะที่ปกปิดสภาวะความเป็นจริงของธรรมะทั้งหลายเป็นกิจมีความไม่หลงเป็นผลมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานั้นโดยพระบาลีว่าผู้มีจิตตั้งมัน่นย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงดังนี้ปัญหาข้อว่า ปัญญามีกี่อย่างวิสัชนาว่าอันดับแรกว่าโดยลักษณะคือการแทงตลอดสภาวะธรรมปัญญามีอย่างเดียวเท่านั้นปัญญามีสองอย่างคือโลกิยะปัญญาหนึ่งและโลกุตระปัญญาหนึ่งเป็นสองอย่างโดยในยะอย่างเดียวกันนั้นคือปัญญามีอาสวะหนึ่งและไม่มีอาสวะหนึ่ง ปัญญาที่กำหนดนามหนึ่งและที่กำหนดรูปหนึง่งปัญญาที่เกิดร่วมกับสมณะหนึน่งและที่เกิดร่วมกับอุเบกขาหนึง่งปัญญาที่เป็นทัศนภูมิหนึ่งและที่เป็นภาวนาภูมิหนึง่งปัญญาเป็นสามอย่างคือเป็นจินตามายปัญญาหนึง่งสุตตามยาปัญญาหนึง่งและภาวนามายปัญญาหนึง่ง โดยในยะเดียวกันนั้นคือปัญญาที่เป็นปริตตารัมมะณะหนึ่งที่เป็นมหัคตารัมมะณะหนึ่งและที่เป็นอัปปานารัมมะณะหนึ่งปัญญาที่เป็นอายะโกสนหนึ่งที่เป็นอปายะโกสนหนึ่งและที่เป็นอุปายะโกสนหนึ่งและปัญญาโดยอภินิเวสสามมีอจจตาภินิเวสในวงเล็บมุงมั่นข้างในเป็นต้น ปัญญาเป็นสี่อย่างคือปัญญาในสัตว์จะสี่และเป็นปฏิสัมพิทาสี่ในส่วนแห่งปัญญาเหล่านั้นปัญญาที่เป็นอย่างเดียวมีเนื้อความชัดเจนแล้วปัญญาสองอย่างในส่วนแห่งปัญญาสองอย่างมีอธิบายดังนี้ปัญญาเป็นสองอย่าง คือที่เป็นโลกียะหนึ่งและที่เป็นโลกุตระหนึ่งอย่างนี้คือปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยโลกิยามักเป็นโลกียะปัญญาหนึ่งและปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยโลกุตระมักเป็นโลกุตระปัญญาหนึ่งในทุกกาที่สองปัญญาที่เป็นอารมณ์ร่วมกับอาสวะทั้งหลายเป็นปัญญามีอาสวะหนึ่ง และปัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ร่วมกับอาสวะเหล่านั้นเป็นปัญญาไม่มีอาสวะหนึ่งแต่โดยอัตถะปัญญาสองอย่างนั้นก็คือโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาเท่านั้นเองในญาสาศวะทุกกะอื่นเช่นปัญญาที่ประกอบกับอาสวะเป็นปัญญามีอาสวะและปัญญาที่ไม่ประกอบกับอาสวะ เป็นปัญญาไม่มีอาสวะดังนี้ปัญญาเป็นสองอย่างโดยเป็นปัญญามีอาสวะและไม่มีอาสวะด้วยประการอย่างนี้ในทุกกาที่สามปัญญาสองอย่างโดยเป็นนามะวะวะัฏถานะและรูปะวะวะะัฏฐานะอย่างนี้คือปัญญาในการกำหนดอรูปขันธ์สี่แห่งภิกษุ ผู้ใครจะเริ่มวิปัสนาอันใดปัญญาอันนั้นเป็นนามะวะวัฏฐานะปัญญาปัญญาในการกําหนดรูปขันธ์อันใดปัญญาอันนี้เป็นรูปะวะวัฏฐานะปัญญาในทุกกะที่สี่ปัญญาสองอย่างโดยเป็นโสมนสะสะหคตะและอุเบคาสหคตะ คือเกิดพร้อมด้วยโสมนัสและเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาอย่างนี้คือปัญญาในกามรมาวจรกุโสรจิตสองดวงและในมัคคจิตที่เป็นไปในจตุทถาฌานโดยปัญจกะใน16ดวงเป็นโสมนัสะสหคตะปัญญาปัญญาในกามรมาวจรกุโสรจิตสองดวงและในมัคคจิตที่เป็นไปในปัญจมาชฌานสี่ดวง เป็นอุเปขาสหัคตะปัญญาในทุกกะที่ห้าปัญญาเป็นสองอย่างโดยเป็นทัศนภูมิและภาวนาภูมิอย่างนี้คือปัญญาในปฐมมักเป็นทัศนภูมิปัญญาและปัญญาในมักสามที่เหลือเป็นภาวนาภูมิปัญญา ปัญญาสามอย่างในติกะมีอธิบายดังนี้ในติกะที่หนึ่งปัญญาที่ไม่ได้ฟังจากคนอื่นได้มาเป็นจินตามยะปัญญาเพราะสำเร็จโดยลำพังความคิดของตนเองปัญญาที่ได้ฟังจากผู้อื่นแล้วได้มาเป็นสุตตามยะปัญญาเพราะสำเร็จด้วยอำนาจการฟัง ปัญญาที่ถึงอัปปนาสําเร็จด้วยอํานาจภาวนาอย่างใดก็แล้วแต่เป็นภาวนามิยปัญญาสมดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าในปัญญาสามอย่างนั้นจินตามิยปัญญาเป็นชนหนบุคคลไม่ได้ฟังจากผู้อื่นได้ซึ่งกรมสกตาญาณหรือสัจจานุโลมิกยานว่ารูปไม่เที่ยงก็ดี เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็ดีหรือได้ขันติคือความอาจเห็นได้ทิฏฐิความเห็นรูจ้จิความพอใจมุติความรู้เปกขะการค้นพบธรรมะนิจชานขันติความทนต่อการเพ่งธรรมอันเป็นอนุโลมิกะรูปเดียวกันนั้น ในกรรมายตนะทั้งหลายที่บุคคลจัดทำด้วยโยคะคือปัญญาก็ดีในสิปปายตนะทั้งหลายที่บุคคลจัดทำด้วยโยคะก็ดีในวิชาฐานะทั้งหลายที่บุคคลจัดทำด้วยโยคะก็ดีความรู้นี้เรียกว่าจินตามยะปัญญาสุตตมามยะปัญญาเป็นไน บุคคลได้ฟังจากผู้อื่นแล้วจึงได้กรรมสกตายานเป็นต้นความรู้นี้เรียกว่าสุตตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาเป็นชนัยปัญญาของผู้เข้าสมาบัติทุกอย่างเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาเป็นสามอย่างคือจินตามยะปัญญาหนึ่งสุตตามยะปัญญาหนึ่ง และภาวนามยปัญญาหนึ่งดังกล่าวมาชน่นนี้ในติกะที่สองปัญญาเป็นสามอย่างคือปริตตารมณะปัญญาหนึ่งมหคตารมณะปัญญาหนึ่งและอัปปานารมณะปัญญาหนึ่งอย่างนี้คือปัญญาที่ปรารธรรมทั้งหลายที่เป็นกามาวจรเป็นไป เป็นปริตตารมณะปัญญาที่ปรารบธรรมทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรเป็นไปเป็นมหาคาตารมณะปัญญาปัญญาทั้งสองนั้นเป็นโลกิยะวิปัสนาปัญญาปัญญาที่ปราบรบพระนิพพานเป็นไปเป็นอัปปมานารรมณะปัญญาปัญญานั้นเป็นโล ก, กุจระวิปัสนาปัญญา ในติกะที่สามความเจริญชื่อว่าอายะความเจริญนั้นมีสองทางคือทางที่ไม่เสื่อมจากประโยชน์หนึ่งทางที่ให้เกิดประโยชน์หนึ่งความฉลาดในทั้งสองทางนั้นชื่อว่าอายะโกศนดังพระบาลีว่าในโกสลสามอย่างนั้นอายะโกสนเป็นฉนัยผู้มีปัญญารู้ว่า เมื่อเรามาณสิการธรรมะเหล่านี้อยู่อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละไปหรือว่าเมื่อเรามาณสิการธรรมะเหล่านี้อยู่กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อพินโยภาพไภบู์เจริญเต็มที่ ปัญญาคือความรู้ทั่วเป็นต้นนั้นความไม่หลงความวิจัยธรรมความเห็นถูกต้องในความไม่เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอกุศลลธรรมทั้งหลายและความเจริญแห่งกุศลลธรรมทั้งหลายด้วยแห่งผู้มีปัญญานั้นนี้เรียกว่าอายะโกศลความเสื่อมชื่อว่าอาปยะความเสื่อมแม้นั้นมีสองทาง คือทางเสื่อมจากประโยชน์หนึ่งทางที่ไม่เกิดประโยชน์หนึ่งความฉลาดในสองทางนั้นชื่อว่าอัปปายะโกสนดังพระบาลีว่าในโกสนสามนั้นอัปปายะโกสนเป็นไฉนผู้มีปัญญารู้ว่าเมื่อเรามานาสิการธรรมะเหล่านี้อยู่กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นดังนี้เป็นต้น ส่วนว่าความฉลาดอันเป็นไปในทันทีคือเกิดขึ้นฉับพลันในอุบายคือเหตุแห่งความสาเร็จแห่งธรรมทั้งหลายนั้นๆทุกสถานชื่อว่าอุปายะโกศลดังพระบาลีว่าปัญญาอันเป็นอุบายในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนั้นทุกอย่างชื่อว่าอุปายะโกศลดังนี้ ปัญญาเป็นสามอย่างคืออายะโกศลอปายะโกศนและอุปายะโกศนดังกล่าวมาชนนี้ในติการที่สี่ปัญญาเป็นสามอย่างมีอัจฉตาพินิเวศเป็นต้นอย่างนี้คือวิปัสสนาปัญญาที่ปรารพถือเอาขันของตนเป็นอัจฉาพินิเวศปัญญา ที่ปราลบถือเอาขันของผู้อื่นหรือรูปภายนอกที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์เป็นพหิทธาพินิเวศปัญญาคือปัญญาอันมุ่งหมายข้างนอกที่ปรารบถือเอาทั้งสองเป็นอัจฉตะพหิทธาพินิเวศปัญญาคือปัญญาอันมุ่งมั่นทั้งข้างในทั้งข้างนอกปัญญาสี่อย่าง ในจัตุกะปัญญาเป็นสี่อย่างมีอธิบายดังนี้ในจัตุกะที่หนึ่งปัญญาเป็นสี่อย่างคือยาในสัจจะสี่อย่างนี้คือความรู้ปรารพทุกขสัจจะจะเป็นไปเป็นยานในทุกขความรู้ปรารพทุกขสมุทัยเป็นไปเป็นยาในทุกขสมุทัยความรู้ปราลรบุกขนิโรธเป็นไป เป็นยาในทุกขนิโรธความรู้ปรารพทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไปเป็นยาในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาในจัตุ ก, กะที่สองความรู้สี่อย่างที่ถึงความแตกฉานในวัตถุสี่มีอัฏฐะเป็นต้นชื่อว่าปฏิสัมพิทาสีดังพระบาลีว่า ความรู้ในอัฏฐะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในธรรมะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวอัฏฐะและธรรมะตามหลักภาษาคือภาษาที่ดีภาษาที่ถูกต้องชื่อว่านิรุตติ <người diferencia> ปฏิสมัมพิทาความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาดังนี้ อัฏฐปฏิสัมพิทาในวัตถุสี่นั้นคำว่าอัถะโดยสังเกตเป็นคำเรียกผลที่เกิดจากเหตุจริงอยู่ผลที่เกิดจากเหตุท่านเรียกว่าอัถะเพราะเหตุที่ประสบคือบรรลุถึงโดยทำนองแห่งเหตุแต่ว่าโดยประเภทธรรมะห้าอย่างนี้คือ สิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งนิพพานเนื้อความแห่งพาสิตวิบากและกิริยาพึงทราบว่าชื่อว่าอัฏฐะความรู้อันถึงความแตกฉานในอัฏฐานั้นแห่งบุคคลผู้พิจารณาอัฏฐานั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทา คำว่าธรรมะนั้นเล่าโดยสังเขตเป็นคำเรียกปัจจัยจริงอยู่ปัจจัยท่านเรียกว่าธรรมะเพราะเหตุที่จัดแจงผลคือยังผลนั้นๆให้เป็นไปหรืออำนวยให้ถึงผลนั้นๆันน้โดยประเภทธรรมะห้าอย่างนี้คือเหตุที่ยังผลให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งอริยมรรคภาสิทธกุศลและอกุศล พึงทราบว่าชื่อว่าธรรมะความรู้อันถึงความแตกฉานในธรรมะนั้นแห่งบุคคลผู้พิจารณาธรรมะนั้นชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาแท้จริงอัรตนี้แลท่านจำแนกแสดงไว้ในอภิธรรมโดยนัยยะว่ า, คว า, ธธาความรู้ในทุกขเป็นอัตถปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขสมูทยัย เป็นธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขานิโรธเป็นอัถฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขานิโร ธ, ธาคามินีปฏิปทาเป็นธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในเหตุเป็นธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในผลที่เกิดจากเหตุเป็นอัถฐปฏิสัมพิทา ธรรมะเหล่าใดเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วความรู้ในธรรมะเหล่านี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมะเหล่านั้นเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วจากธรรมะใดความรู้ในธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะปฏิสัมพิทา ความรู้ในชรามรณะเป็นอัฏาปฏิสัมพิทาความรู้ในชรามรณะสมุทัยเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาเป็นต้นจนถึงความรู้ในสังขานิโรธเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในสังขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรม ะ, รรมะมปฏิสัมพิทาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรมะอันเป็นสุตตะเคยยะเป็นต้นจนถึงเวทันละความรู้ธรรมะนี้เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาภิกษุนั้นย่อมรู้เนื้อความแห่งพาสิตนั้นๆว่านี้เป็นความแห่งพาสิตนั้นนี้เป็นความแห่งพาสิตนี้ความรู้เนื้อความแห่งพาสิตนี้เรียกว่าอัตถปฏิสัมพิทา ธรรมะที่เป็นกุศลเป็นชนัยสมัยใดจิตเป็นกามวาวจรกุศลเกิดขึ้นเป็นต้นธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลความรู้ในธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งธรรมะเหล่านั้นเป็นอัตถปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทา ข้อว่าความรู้ในการกล่าวอัตถะและธรรมะตามหลักภาษามีอัตถาที่บายว่าสภาวะนิรุตติคือภาษาที่แท้คือถ้อยคาที่ใช้กันตายตัวไม่วิปริตคลาดเคลื่อนในอัตถะและธรรมะนั้นความรู้ในการกล่าวถ้อยคาคือการพูดการเปล่งถ้อยคาได้แก่ความรู้อันถึงซึ่งความแตกฉานในมูลภาษาของสรรพสัต์ ท, ทั้งหลาย ได้แก่ภาษามคตที่เป็นสภาวะนิรุตติคือภาษาแท้ซึ่งได้ชื่อว่าธรรมนิรุตติคือภาษาดีนั้นโดยในยะว่าพอได้ยินถ้อยคำที่พูดหรือเปล่งก็รู้ว่านี่เป็นสภาวะนิรุตตินี่ไม่ใช่สภาวะนิรุตติดังนี้เป็นนิรุตติปฏิสัมพิทาจริงอยู่ พูดถึงนิรุตติปฏิสัมพิทาพอได้ยินคำว่าผัสโสเวทนาดังนี้เป็นต้นก็รู้ได้ว่านี่เป็นสภาวะนิรุตติแต่พอได้ยินคำว่าผัสสาเวทโนดังนี้เป็นต้นก็รู้ได้ว่านี้ไม่เป็นสภาวะนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมพิทา ข้อว่าความรู้นิยานทั้งหลายมีอาธิบายว่าความรู้อันมีความรู้เป็นอารมณ์แห่งบุคคลผู้พิจารณาทำความรู้ในความรู้ทั้งปวงให้เป็นอารมณ์หรือว่าความรู้อย่างกว้างขวางด้วยอำนาจอารมณ์และกิจของตนเป็นต้นในความรู้ทั้งหลายตามที่กล่าวมานั้นเป็นปฏิภาณปฏิสัมพิธา ภูมิปฏิสัมพิทาสองก็แลปฏิสัมพิทาทั้งสี่นั้นย่อมถึงความแตกฉานในภูมิสองคือในเสขภูมิหนึ่งในอเสขภูมิหนึ่งในภูมิสองนั้นปฏิสัมพิทาของพระอัครสาวกและของพระมหาสาวกทั้งหลายถึงความแตกฉานในอเสขภูมิ ปฏิสัมพิธาของพระเสขอริยาสาวกทั้งหลายเช่นพระอานนทเถระในสมัยเมื่อ ย, ยังเป็นพระเสขะท่านจิตตะคขฤหบดีท่านรร ม, มิกะอุบาสกท่านอุบาลีขฤหบดีและขุดชุตราอุบาสิ ก, กาถึงความแตกชานในเสขภูมิปฏิสัมพิธาจำใส่ด้วยอาการห้าอย่าง อันหนึ่งปฏิสัมพิธาแม้ถึงความแตกฉาในภูมิสองอย่างนี้จะแจมใสขึ้นก็ด้วยอาการห้าเหล่านั้นคือด้วยอธิคมด้วยปริยัตด้วยสวนาด้วยปริปุชชาและด้วยปุพพโยคะในอาการเหล่านั้นการบรรลุพระอรหันต์ชื่อว่าอธิคมการเล่าเรียนพระพุทธว จ, จนะชื่อว่าปริยัติ การสนใจฟังพระสัต ธ, ธรรมโดยเคารพชื่อว่าสวนะการกล่าววินิจฉัยคันถีบทและอัถบทในคำภีทั้งหลายมีพระบาลีและอัตถคถาเป็นต้นชื่อว่าปริปุชชาการประกอบหนึ่งเนืองซึ่งวิปัสนาถึงชั้นใกล้อนุโลมยานและโคตรภูยานโดยภาวะแห่งพระโยคาวาจรผู้มีการไปไปมามา อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆชื่อว่าปุพพโยคะอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าปัจจัยเครื่องอุดหนุนของปฏิสัมพิธามีแปดคือปุพพโยคะพาหุสัจจะเทศภาษาอาคมบริปุชขาอธิคมครุสันิสัยและมิตรสมบัติ ในปัจจัยเหล่านั้นปุพพโยคะก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละความฉลาดในคาพีและกระบวนศิลปะทั้งหลายชื่อว่าพาหุสัจจะความฉลาดในโวหารถ้อยคําท้องถิ่นชื่อว่าเทศภาษาโดยพิเศษความฉลาดในโวหารของชาวมคตชื่อว่าเทศภาษาการเล่าเรียนพระพุทธว จ, จนะโดยที่สุด แม้เพียงโอปัมมะวัคชื่อว่าอาคมการไต่าถามถึงคําวินิจฉัยเนื้อความแห่งคาถาแม่คาถาหนึ่งชื่อว่าปริบุตรชาความเป็นพระโสดาบันก็ดีความเป็นพระสกทาคามีก็ดีความเป็นพระอนาคามีก็ดีความเป็นพระอระหันตก็ดีชื่อว่าอาธิคม การอยู่ในสำนักของครูทั้งหลายผู้มีสุตตะปฏิพานมากชื่อว่าคารุสันิสัยการได้มิตรทั้งหลายเห็นปานนั้นนั่นแหลชื่อว่ามิตรสะสมบัติด้วยประการชนีในปัจจัยเหล่านั้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอาศัยบุพโยคะและอธิคมเท่านั้น ก็ทรงบรรลุปฏิสัมพิทาประสาวโลกทั้งหลายอาศัยเหตุคือปัจจัยเหล่านั้นทุกอย่างจึงได้บรรลุอันหนึ่งการประกอบกรรมฐานภาวนาเป็นส่วนหนึ่งต่างหากสำหรับจะบรรลุปฏิสัมพิทาหามไม่แต่การบรรลุปฏิสัมพิทาสำหรับพระเสขะทั้งหลายก็มีขึ้นในที่สุดแห่งผลวิโมกชั้นเสขะ สำหรับพระอาเสขะทั้งหลายก็มีขึ้นในที่สุดแห่งผลวิโมกชั้นอาเสขะนั่นเองจริงอยู่ปฏิสัมพิธาทั้งหลายสำเร็จแด่พระตถาคตทั้งหลายก็โดยอริยผลแห่งอริยบุคคล น, นั่นแหลเช่นเดียวกับทศพ ล, ลายานคำว่าปัญญาสี่อย่างคือปฏิสัมพิธาสี ข้าพเจ้ากล่าวไม้เอาปฏิสัมพิธาเหล่านี้แหละปัญญาจะพึงเจริญอย่างไรส่วนปัญหาว่าจะพึงเจริญอย่างไรนี้มีพันานาว่าเพราะเหตุที่ธรรมะทั้งหลายอันแยกประเภทเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์ สัจจะละปติ จ, จะสมุบาตเป็นต้นเป็นภูมิของปัญญานี้วิสุทธิสองคือศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิเป็นมูลของปัญญานี้วิสุทธิหคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตารณาวิสุทธิมัคคามัคคยาทณทัศนวิสุทธิ ปฏิปทายานทัศนวิสุทธิและยานทัศนวิสุทธิเป็นสรีระของปัญญานี้เพราะเหตุนั้นปัญญาอันภิกษุผู้ทําความสั่งสมความรู้โดยการเล่าเรียนและไต่ถามในธรรมะที่เป็นภูมิเหล่านั้นแล้วอย่างวิสุธทธิสองที่เป็นมูลให้ถึงพร้อมแล้วทําวิสุธทธิห้าที่เป็นสรีระให้ถึงพร้อมอยู่ จะพึงบำเพ็ญได้นี่เป็นความสังเขปในปัญหาข้อนี้ส่วนความพิสดารดังต่อไปนี้ภูมิของปัญญาคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าธรรมะทั้งหลายอันแยกประเภทเป็นขันอายตนะธาตุอินทรีสัจจะละปฏิจจสมุปบาทเป็นภูมิของปัญญานี้ ดังนี้บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยความในคำนั้นเป็นอันดับแรกขันคำว่าขันได้แก่ขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันรูปขันในขันห้านั้น ธรรมชาติที่มีความสลายไปโสมไปเพราะปัจจัยที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีหนาวเป็นต้นเป็นลักษณะทุกอย่างพึงทราบว่าชื่อว่ารู ป, ปขันเพราะรวมธรรมชาติทั้งปวงนั้นเข้าด้วยกันธรรมชาตินี้แม้เป็นอย่างเดียวโดยลักษณะคือความสลายไปแต่ก็นับเป็นสองโดยแยกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูป ผูตรูปในรูปสองอย่างนั้นผูตรูปมี4ีคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุลักษณะรษะหรือรสคือกิจปัจจุปัฏฐานคือผลของธาตุด้กล่าวไว้แล้วในจตุธาตวุวัฏฐานแต่ว่าโดยปัฏ ฐ, ฐานคือเหตุใกล้ ธาทุกอย่างต่างก็มีธาตุที่เหลืออีกสามอย่างเป็นประทัดฐานอุปาทายรูปอุปาทายรูปมียี่สิบสีคือตาหูจมกกูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสอิทธิินสีปุริสินสีชีวิตตินสีอัธยะวะัตถุกายวิญญาณ เวจีวิญยต์อากาศทธาตุรูปัสะลาหุตาคือความเบาแห่งรูปรูปัสะมุทุตาความอ่อนแห่งรูปรูปัสะกามัยตาความคล่องแห่งรูปรูปัสะอุปปัจยตาความเติบขึ้นแห่งรูปรูปัสะสันติความสืบต่อแห่งรูป รู ป, ปัสสะเจ้ารตาความสุดโทมแห่งรูปรูปปัสสะอนิจจตาความไม่ยั่งยืนแห่งรูปและกะวะลิงการาหานลักษณะเป็นต้นแห่งอุปาทายรูปปัสาทรูปห้าในอุ ป, ปาทายรูปเหล่านั้นตามีความผ่องใสแห่งภูตรูป พอกระทบรูปได้เป็นลักษณะในยะหนึ่งมีความผ่องใสแห่งภูตรูปที่มีความใคร้จะเห็นเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นลักษณะมีการเวียนอยู่ในรูปทั้งหลายเป็นรสะหรือรสมีฐานที่รองรับจากขูวิญญาณเป็นปัจจุปฐาน มีภูตรูปอันเกิดแต่ ก, กรรมที่ใกล้จะเห็นเป็นต้นเหตุเป็นประทัดฐานหูมีความผ่องสใสแห่งภูตรูปพอกระทบเสียงได้เป็นลักษณะในยะหนึ่งมีความผ่องสใสแห่งภูตรูปอันมีความใคร้จะฟังเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นลักษณะมีการเวียนอยู่ในเสียงทั้งหลายเป็นรถ มีฐานที่รองรับโสตวิญญาณเป็นปัจจุปัฏฐานมีพูตรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใคร้จะฟังเป็นต้นเหตุเป็นปัจฉฐานเจมูกมีความผ่องสายแห่งภูตรูปพอกระทบกลิ่นได้เป็นลักษณะในยะหนึ่งมีความผองสายแห่งภูตารูปอันมีความใกล้จะดมเป็นต้นเหตุ และมีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นลักษณะมีการเวียนอยู่ในกลิ่นทั้งหลายเป็นรสมีฐานที่รองรับคานวิญญาณเป็นปัจจุปัจฐานมีพูตรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใกล้จะดมเป็นต้นเหตุเป็นปัจทฐานลิ้นมีความผ่องใสแห่งพูตรูปพอกระทบรสได้เป็นลักษณะในยะหนึ่ง มีความผ่องใสแห่งพุทธรูปอันมีความใคร่จะลิ้มเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นลักษณะมีการเวียนอยู่ในรถทั้งหลายเป็นกิจมีฐานที่รองรับจิวหาวิญญาณเป็นปัจจุปฐานมีพุทรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใคร่จะลิ้มเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัฐาน กายมีความผ่องใสแห่งภูทธรูปพอกระทบผลทัพภะได้เป็นลักษณะในยะหนึ่งมีความผ่องใสแห่งพูทธรูปที่มีความใกล้จะถูกต้องเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นลักษณะมีการเวียนไปในผลทัพภะทั้งหลายเป็นรถมีฐานที่รองรับกายวิญญาณเป็นปัจจุปฐาน มีพุทรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใคร่จะถูกต้องเป็นต้นเหตุเป็นประทัยฐานลักษณะเป็นต้นตามมติเกจิอาจารย์ฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่าตาก็คือความผ่องใสแห่งพุทรูปที่ยิ่งด้วยธาตุไฟหูจมูกและลิ้น ก็คือความผ่องใสแห่งภูตะรูปที่ยิ่งด้วยธาตุลมธาตุดินและธาตุน้ำกายก็คือความผ่องใสแห่งภูตรูปทุกอย่างอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าตาคือความผ่องใสแห่งภูตะรูปที่ยิ่งด้วยไฟหูจมูกลิ้นและกายมีความผ่องใสแห่งภูตรูปทั้งหลายที่ยิ่งด้วยโพรงลมน้าและดิน อาจารย์พวกนั้นบอกให้ท่านชักพระสูตรมาอ้างท่านจักไม่พบพระสูตรเป็นแน่แท้ทีเดียวอาจารย์บางพวกอ้างเหตุในคําของเกจิอาจารย์ที่กล่าวมันนั้นว่าเพราะาธาตุมีาธาตุไฟเป็นต้นอันมีรูปเป็นต้นเป็นคุณต้องช่วยอนุเคราะห์อาจารย์พวกนั้นอันบันดิตพึงกล่าวได้ว่าใครก็เล่ากล่าวว่าสภาวะมีรูปเป็นอาทิ เป็นคุณแก่ธาตุมีไฟเป็นต้นเพราะว่าในภูต ร, รูปทั้งหลายมีความเป็นไปที่แยกกันไม่ออกใครๆก็กล่าวไม่ได้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณแก่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นคุณแก่สิ่งนี้แม้อาจารย์พวกนั้นจะพึงกล่าวต่อไปอีกว่าท่านทั้งหลายประสงค์เอากิจเช่นการทรงไว้ของธาตุดินเป็นต้นได้ ก็เพราะความที่พุทธรูปนั้นนั้นมีมากในสัมภาระคือองค์อวัยวะนั้นๆฉันใดข้อที่ว่ารูปเป็นต้นเป็นคุณแก่ธาตุไฟเป็นอาทินั้นก็น่าจะประสงค์เอาได้เพราะรูปเป็นต้นปรากฏเป็นจำนวนมากในสัมภาระที่ยิ่งด้วยธาตุไฟเป็นอาทิก็ฉันนั้นอาจารย์เหล่านั้นเราพึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะพึงประสงค์หากว่ากลิ่นในฝ้ายที่ยิ่งด้วยดินจะพึงเป็นกลิ่นยิ่งกว่ากลิ่นของดองที่ยิ่งด้วยน้ำและสีของน้ำเย็นจะพึงจางกว่าสีของน้ำร้อนที่ยิ่งด้วยไฟบ้างหละ่ะก็แต่เพราะทั้งสองอย่างนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงเลิกคิดกำหนดความแตกต่างกันแห่งพูตรูปที่อาศัยช่องภาษาทรูป มีตาเป็นต้นเสถเิถือเอาข้อยุตินี้ว่ารูปรสเป็นต้นแห่งพูตรูปแม้ในกลาลปะเดียวกันไม่มีวิเศษก็ยังไม่เหมือนกันฉั้นใดประสาททั้งหลายมีจักสุประสาทเป็นต้นแม้เหตุแห่งความวิเศษอย่างอื่นไม่มีก็ไม่เหมือนกันฉันนั้น ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่ไม่สาธารณะแก่กันและกันก็กรรมนั่นสิเป็นเหตุแห่งความแปลกกันของภาษาทารูปเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นความแปลกกันแห่งภาษาทารูปย่อมมีได้เพราะความแปลกกันของกรรมหาใช่เป็นเพราะความแปลกกันของผูตรูปไม่ด้วยว่าเมื่อผู้ตรูปมีความแปลกกันความผ่องใส ย่อมไม่เกิดขึ้นแท้จริงพระบูรณาจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อภูตรูปเสมอกันความผ่องใสจึงมีเมื่อภูตรูปไม่เสมอกันความผ่องใสก็ไม่มีดังนี้ก็ในประษาทรูปแปลกกันเพราะ ก, กรรมแปลกกันอย่างนี้ตาและหูรับวิสยรูปที่ไม่ถึงตัวได้ เพราะตาและหูเป็นเหตุแห่งวิญญาณในวิสยารูปอันมีที่อาศัยไม่ติดที่อาศัยของตนเลยจมูกลิ้นและกายรับได้แต่วิสยารูปที่ถึงตัวเพราะจมูกลิ้นและกายเป็นเหตุแห่งวิญญาณในวิสยารูปติดที่อาศัยของตนของตนอยู่แล้วนั่นเองโดยเป็นที่อาศัยและเป็นเองด้วย จักษุ ป, ประสาทรูปในบรรดาประสาทรูปห้าอย่างจักษุ ป, ประสาทซึมซาบอยู่ตลอดเยื่อตาเจ็ดชั้นประดุดน้ำมันที่ปุยนุ่นเจ็ดชั้นซึมซาบตลอดปุยนุ่นทุกชั้นในประเทศที่เกิดสริระสันฐานแห่งคนผู้อยู่ตรงหน้าในถ้ำกลางแห่งแววตาดำอันแวดล้อมด้วยแววตาขาวแห่งสัมภาระ จ, จักษุ ที่มีขนตาขึ้นอยู่โดยรอบวิจิตด้วยแววตาดำและขาวสดใสประดุจกลีบอุบลเขียวที่ในโลกเขาเรียกกันว่าจักสุอันธาทั้งสี่ทำหน้าที่ทรงอยู่สมานให้อบอุ่นและเคลื่อนไหวกระทำอุปการะแล้วประดุจคติยะกุมารมีพระพี่เลี้ยงทั้งสี่ทำหน้าที่อุ้มสนานแต่งองค์ และอยู่เฝ้าถวายงานพัดประจำอันฤดูจิตและอาหารคอยอุปถัมม์มีอายุเฝ้าเลี้ยงดูอันโครจะร่ารูปมีสีกลิ่นแล้วรสเป็นต้นคอยแวดล้อมเมื่อว่าโดยประมาณมีประมาณเท่าหัวเลนเล่นในที่นี้คือชื่อมะแลงหรือสัตว์ขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจหมายถึงพวกไรเหาเห็บหมัดหรือมดก็ได้เมื่อว่าโดยประมาณมีประมาณเท่าหัวเลนยอมให้สำเร็จเป็นวัตถุและทวารแห่งวิถีจิตมีจักขูวิญญาณเป็นต้นตั้งอยู่ตามควรสมจริงดังคำที่ท่านพระธรรมเสนาบดีกล่าวว่าจากสุปราศาสตร์ที่เป็นเครื่องเห็นรูปนี้เล็กละเอียด ประมาณเท่าหัวเลนอนหนึ่งโตาาสตประสาทซึมซาบอยู่ในประเทศมีสันฐานดังวงแหวนมีขนแดงเล็กงอกขึ้นแล้วภายในช่องโสตหรือโสรคือช่องหูอันเป็นที่อาศัยอันธาตมีประการดังกล่าวแล้วกระทำอุปการะและมีฤ ด, ดูจิตและอาหารคอยอุปธรรม มีอายุเฝ้าอนุบาลมีวั น, นะเป็นต้นคอยแวดล้อมให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวานแห่งโศวิญญาณเป็นต้นตั้งอยู่ตามควรคานาประสาสต์ซึมทราบอยู่ในประเทศมีสันฐานดังกี่แพะภายในช่องจมูกซึ่งเป็นที่อาศัยได้รับความอุปธรรมอนุบาล และความแวดล้อมมีประการดังกล่าวมาให้สำเร็จความเป็นวัตถุรัทวานแห่งคณะวิญญาณเป็นต้นตั้งอยู่ตามควรชิวหาประสาสตซึมทราบอยู่ในประเทศมีสันฐานดังปลายกลีบอุบลเบื้องบนถ้ำกลางลิ้นอันเป็นที่อาศัยได้รับความอุปการะอุปธรรมอนุบาลและความแวดล้อมมีประการดังกล่าวมา ให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวารแห่งชิวหาวิญญาณเป็นต้นตั้งอยู่ตามควรส่วนในกายนี้ชื่อว่าอุปาทินรูปมีอยู่เพียงไรในอุปาทินรูปทั้งหมดกายประสาส์ซึมซาบอยู่ประดุษใหญ่ในปุ๋ยฝ้ายได้รับความอุปการะอุปธรรมอนุบาลและความแวดล้อมมีประการดังกล่าวแล้ว ให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวานแห่งกายวิญญาณเป็นต้นตั้งอยู่ตามควรบัณดิตจึงเห็นว่าประสาทมีจักษุเป็นต้นเหล่านี้น้อมไปตามอารมณ์ของตนมีรูปเป็นต้นประดุดงูพอใจในจอมปลวกเจ้าระเขคพอใจในแม่น้ำนกพอใจในอากาศสุนักบ้านพอใจในบ้าน และสุนัขจิ้งจอกพอใจในป่าชา้าโคจระรูปสี่ส่วนในโคจระรูปทั้งหลายมีรูปเป็นต้นต่อจากประสาเทรูปไปมีนัยยะดังต่อไปนี้รูปมีอันกระทบจากสุขเป็นลักษณะ มีความเป็นวิสัยแห่งจักขคูวิญญาณเป็นกิจมีความเป็นโคจระหรือโคจรแห่งจักขคูวิญญาณนั่นแหละเป็นผลมีมหาพูทธ ร, รูปสี่เป็นเหตุใกล้ก็แหละข้อที่รูปมีมหาพูทธ ร, รูปสี่เป็นประทัยฐานฉันใดอุปาทายรูปทั้งปวงก็เป็นฉันนั้นแต่ในที่ใดมีความแปลกออกไป ข้าพเจ้าจึงจะ ก, กล่าวในที่นั้นรูปมีมากอย่างด้วยอำนาจแห่งสีมีสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเสียงมีการกระทบหูเป็นลักษณะมีความเป็นวิสัยแห่งโสตาวิญญาณเป็นกิจมีความเป็นโคจระหรือโคจรแห่งโศตาวิญญาณเป็นผลมีมากอย่างโดยในยะว่า มีเสียงกลองเสียงตโพนเป็นต้นกลิ่นมีการกระทบจมูกเป็นลักษณะมีความเป็นวิสัยแห่งคานวิญญาณเป็นกิจมีความเป็นโคจระหรือโคจรแห่งคานวิญญาณเป็นผลมีมากอย่างโดยในยะว่ามีกลิ่นรากไม้กลิ่นแกนไม้เป็นต้น รถมีการกระทบลิ้นเป็นลักษณะมีความเป็นวิสัยแห่งชิวหาวิญญาณเป็นกิจมีความเป็นโคจระหรือโคจรแห่งชิวหาวิญญาณเป็นปัจจุ ป, ปัจฐานมีมากอย่างโดยในยะว่ามีรถรากไม้รถลำต้นเป็นต้นภาวะรูปสอง อิทธินีมีภาวะแห่งหญิงเป็นลักษณะมีการประกาศว่าหญิงเป็นกิจมีภาวะคือการกระทำเพศของหญิงนิมิตของหญิงกิริยาของหญิงและท่าทางของหญิงเป็นผลปุริสินีมีภาวะแห่งชายเป็นลักษณะมีการประกาศว่าชายเป็นกิจ มีภาวะคือการกระทำเพศของชายมิมิกของชายกิริยาของชายและท่าทางของชายเป็นผลอิทธินีและปุริสินีทั้งสองนั้นปกแผ่ไปทั่วร่างของหญิงชายดังกายประสาท์เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับจะกล่าวได้ว่ามันตั้งอยู่ในโอกาสที่กายประสาท์ตั้งอยู่หรือว่ามันตั้งอยู่ในโอกาส ที่กายปราศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่ก็ตามความปะปนกันก็ไม่มีดังรูปกับรถเป็นต้นฉะนั้นชีวิตตรูปชีวิตตินรีมีการตามรักษาสหเชรูปที่เกิดร่วงกับตนเป็นลักษณะ มีการให้สหัชรูปเหล่านั้นเป็นไปเป็นกิจมีความดำรงไว้ได้ซึ่งสหัชรูปเหล่านั้นนั่นแหละเป็นผลมีภูตรูปที่ตนจะพึงให้เป็นไปเป็นเหตุใกล้ก็ <ż damage> <tt uk> แหลชีวิตปินสีนั้นแม้เมื่อทำงานมีลักษณะคือการตามรักษาเป็นต้นยังมีอยู่ก็ย่อมตามรักษาสหัชรูป แต่ในขณะที่สหัสชรูปที่ตนจะพึงตามรักษานั้นยังมีอยู่เท่านั้นดุดน้ํารักษาดอกไม้มีดอกอุบลเป็นต้นฉะนั้นอนหนึ่งยอมรักษาธรรมะที่เป็นปัจจุบันตามที่เป็นของของตนดุดพระพี่เลี้ยงก็ย่อมเลี้ยงพระกุมารที่ทรงกําเนิดมาเฉพาะหน้าแล้วตามหน้าที่ของตนอนหนึ่ง ชีวิตกินสีนั้นย่อมเป็นไปแต่โดยสัมพันธ์กับธรรมะที่ตนให้เป็นไปเองเท่านั้นดุดในเรือย่อมเป็นไปโดยผูกพันกับสิ่งที่ตนให้เป็นไปฉะนั้นไม่ได้เป็นไปเบื้องบนจากการแตกทำลายเพราะไม่มีตนและสิ่งที่ตนจะพึงให้เป็นไปด้วยอนหนึ่งย่อมไม่ดำรงไว้ได้ในพังคฆขณะเพราะตัวเองก็กําลังแตกอยู่ เหมือนไส้และน้ำมันกำลังสิน้นยอมไม่ดำรงเปลวพระทีพไว้ได้ฉะนั้นแต่เพิ่งเห็นว่าชีวิตตินสีนั้นมิใช่ไรอนุภาพในการเลี้ยงรักษาการให้เป็นไปและการดำรงไว้ซึ่งสหัชรูปนั้นเพราะชีวิตตินสีอย่างกิจนั้นๆให้สำเร็จในขณะตามที่กล่าวแล้วหัทยรูป หัยวัตถุเป็นที่อาศัยของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเป็นลักษณะมีการรองรับธาตุเหล่านั้นไว้เป็นกิจมีการแบกธาตุทั้งสองเป็นผลหัตยาวัตถุอาศัยโลหิตมีประการดังกล่าวแล้วในกายคตาสติกถาได้อุปการะที่พุตธรูปสี่ซึ่งมีหน้าที่คำจุนไว้เป็นต้นทาให้มีฤ ด, ดูจิต และอาหารอุปธรรมอยู่อายุคอยเลี้ยงรักษาอย่างความเป็นวัตถุแห่งมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและธรรมะอันสัมปยุตกับธาตุทั้งสองนั้นให้สําเร็จตั้งอยู่ในภายในแห่งหัวใจวิญญัติรูปสองกายวิญญัติรูป การเปลี่ยนอาการเป็นปัจจัยแก่การค้ำจุนกายการทรงกายและการไหวกายที่เป็นสหัชรูปแห่งวายโยธามีจิตให้กิริยามีการย่างก้าวเป็นต้นให้เป็นไปเป็นเหตุเกิดชื่อว่ากายวินยติมีประกาศความประสงค์เป็นกิจมีเหตุแห่งความไหวกายเป็นผลมีวายโยธาที่มีจิตเป็นเหตุเกิด เป็นเหตุใกล้มีกิริยาอันนี้ท่านเรียกว่ากายวิญญัติหรือกายวิญยติเพราะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ด้วยการไหวไกายและเพราะตัวเองก็พึงรู้ได้ด้วยกายกล่าวคือความไหวไกายนั้นด้วยก็แล้กิริยาทั้งหลายมีก้าวไปและถอยกลับเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบว่า ย่อมเป็นไปได้เพราะความไหวแม้แห่งอุตุชรูปเป็นต้นที่สัมพันธ์กันโดยเฉพาะกับจิตตเชรูปที่ไหวเพราะวิญญาตนั้นวจีวิญญัติหรือวจีวิญญัตการเปลี่ยนอาการเป็นปัจจัยแห่งความกระทบกันแห่งอุปาทินรูปแห่งปัทวีธาต ที่มีจิตอย่างความเปล่งวาจาให้เป็นไปเป็นเหตุเกิดชื่อว่าวจีวิญยัตมีประกาศความประสงค์เป็นกิจมีเหตุแห่งการเปล่งคำพูดเป็นผลมีปัทวีธาตุที่มีจิตเป็นเหตุเกิดเป็นเหตุใกล้ก็กิริยาอันนี้ท่านเรียกว่าวจีวิญญัตเพราะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ ด้วยการเปล่งคำพูดและเพราะตัวเองพึงรู้ได้ด้วยวาจากล่าวคือการเปล่งคำพูดนั้นเหมือนอย่างว่าบุคคลเห็นน้ำเป็นเครื่องหมายอยู่ที่หัววัวเป็นต้นที่เขายกขึ้นผูกไว้ในป่าก็รู้ได้ว่าน้ำมีอยู่ที่นั่นฉันใดแม้กายวิญญัตและวจีวิญญัตบุคคลจับการไหวไกายและการเปล่งวาจาได้ก็รู้ได้ฉันนั้น ปริเชเรูปอากาศธาตมีการตัดตอนรูปเป็นลักษณะมีประกาศริมรอบของรูปเป็นกิจมีขอบของรูปเป็นผลหรือมีความไม่ถูกพุตธรูปสัมผัสและเป็นช่องเป็นรูปเป็นผลมีรูปที่ถูกตัดตอนแล้วเป็นเหตุใกล้ในรูปทั้งหลาย ที่ถูกอากาศธาตุายเล่าตัดตอนแล้วย่อมมีการกำหนดได้ว่ารูปนี้ทางนี้บนทางนี้ล่างและทางนี้ขวางวิกาบรรูป3สามละหูตาความเบาแห่งรูปมีความไม่อืดอาดเป็นลักษณะ มีการบรรเทาเสียซึ่งความหนักแห่งรูปทั้งหลายเป็นกิจมีการเปลี่ยนได้เร็วเป็นผลมีรูปที่เบาเป็นเหตุใกล้มุทุตาความอ่อนสลวยแห่งรูปมีความไม่แข็งเป็นลักษณะมีการบรรเทาเสียซึ่งความกระด้างแห่งรูปทั้งหลายเป็นกิจ มีความไม่ขัดในกิริยาทั้งปวงเป็นผลมีรูปที่อ่อนเป็นเหตุใกล้กรรมญตาความควรแก่การงานแห่งรูปมีความคล่องแคล่วอันอนุกูลแก่กิริยาทางร่างกายเป็นลักษณะมีการบรรเทาเสียซึ่งความไม่คล่องแคล่วเป็นกิจมีความไม่ทุกพลภาพเป็นผล มีรูปที่ใช้การได้เป็นเหตุใกล้กววิการารูปทั้งสามนี้ย่อมไม่ละกันละกันแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นความแปลกกันแห่งวิการรูปสามนั้นก็พึงทราบได้ดังนี้คือรูปวิการใดเป็นความเบาแห่งรูปทั้งหลายดุดรูปของคนไม่มีโรคมีความไม่อืดอาดและความเปลี่ยนท่าได้เร็ว เป็นอาการทั่วๆไปมีปัจจัยอันเป็นฝ่ายต่อต้านความกำเริบแห่งธาตุที่ทําให้รูปหนักเป็นเหตุเกิดรู ป, ปรวิการนั้นจัดเป็นความเบาแห่งรูปรู ป, ปรวิการใดเป็นความอ่อนแห่งรูปทั้งหลายดุจหนังที่ขัดดีแล้วมีความอ่อนโดยที่บังคับได้ในกิริยาทั้งปวงแปลกแปล ก, แปลกกันเป็นอาการทั่วๆไป มีปัจจัยอันเป็นฝ่ายต่อต้านความกำเริบแห่งธาตุที่ทำให้รูปแข็งกระด้างเป็นเหตุเกิดรูปปวิการนั้นจัดเป็นความอ่อนสลวยแห่งรูปส่วนรูปปวิการใดเป็นความใช้การได้แห่งรูปทั้งหลายดุจทองที่หลอมดีแล้วอนุกูลแก่กิริยาทางร่างกายเป็นอาการทั่วทั่วไปมีปัจจัยฝ่ายต่อต้านความกำเริบแห่งธาตุ ที่ทำความไม่อนุกูลแก่กิริยาทางร่างกายเป็นเหตุเกิดรูปปวิการนั้นจัดเป็นความควรแก่การงานแห่งรูปลักษณะรูปสีอุปาจยะความเติบแห่งรูปมีการก่อขึ้นเป็นลักษณะ มีการยังรูปทั้งหลายให้ผุดขึ้นไปภายหน้าเป็นกิจมีการมอบให้เป็นผลหรือมีความเป็นรูปบริบูรณ์เป็นผลมีรูปที่เติบแล้วเป็นเหตุใกล้สันตติความสืบเนื่องแห่งรูปมีความเป็นไปเป็นลักษณะมีการสืบต่อไว้เป็นกิจ มีความไม่ขาสายเป็นผลมีรูปที่สืบต่อกันมาได้เป็นเหตุใกล้รูปทั้งสองนี้เป็นชื่อแห่งชาติรูปเท่านั้นแต่ว่าตอนแสดงอุเทศท่านทำคำว่าอุปัจจยะสัน ต, ติก็โดยที่ชาติรูปนั้นมีอาการเป็นไปต่างๆและโดยอำนาจแห่งเวนายะด้วย แต่ความต่างกันโดยความหมายในบททั้งสองนั้นหามีไม่เพราะเหตุนั้นในนิเทศแห่งบทเหล่านี้จึงกล่าวไว้ว่าอาจิยะการก่อขึ้นของอายตนะทั้งหลายอันใดรูปัสสะอุปัจจยะความเติบแห่งรูปก็อันนั้นรูปัสสะอุปัจยะอันใดรูปัสสะสันตติความสืบเนื่องแห่งรูปก็อันนั้น ดังนี้แม้ในอัธกถาก็กล่าวว่าความเกิดขึ้นชื่อว่าอาจยะความเติบขึ้นชื่อว่าอุปจิยะความเป็นไปชื่อว่าสันตติแล้วทำอุปมาว่าอาจยะได้แก่การเกิดเหมือนเวลาที่น้ำซึมในหลุมที่เขาขุดไว้ริมฝั่งน้ำอุปจิยะ ได้แก่การเติบขึ้นเหมือนเวลาน้ำเต็มหลุมสันตติได้แก่ความเป็นไปเหมือนเวลาที่น้ำล้นหลุมไปฉะนั้นและในที่สุดแห่งอุปมาท่านกล่าวว่าถามว่าคำนิเทศที่ว่าอาจยะความก่อขึ้นแห่งอายตนะทั้งหลายเป็นต้นเป็นอันท่านกล่าวข้อความอะไร ตอบว่าท่านกล่าวอาจยะด้วยอายตนะกล่าวอายตนะด้วยอาจยะดังนี้เพราะเหตุนั้นการเกิดขึ้นที่แรกแห่งรูปพึงทราบว่าอาจยะการเกิดขึ้นแห่งรูปเหล่าอื่นเกิดต่อเติมรูปขึ้นไปพึงทราบว่าอุ ป, ปัจยะเพราะปรากฏโดยอาการเติบขึ้น การเกิดขึ้นแห่งรูปอื่นๆที่เกิดต่อเติมรูปเหล่านั้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆพึงทราบว่าสันตติเพราะปรากฏโดยอาการสืบเนื่องกันชราตาความสุดโสมแห่งรูปมีความแก่แห่งรูปเป็นลนะักษณะมีอันนำเข้าไปใกล้เป็นกิจ มีสภาวะอยากแข็งเป็นต้นอย่างมิได้หายไปแต่ความใหม่แห่งรูปก็หายไปได้เป็นผลดุดความเก่าแห่งข้าวเปลือกฉะนั้นมีรูปแก่อยู่เป็นเหตุใกล้ความแก่นี้หมายเอาความแก่เปิดเผยเพราะแสดงความแปลกในอวัยวะมีฟันหักเป็นต้นส่วนความแก่แห่งอรูปธรรม จัดเป็นปฏิจชนนชราความแก่ปกปิดความแปลกมีฟันหักเป็นต้นหามีแก่ปฏิจชนนชรานั้นไม่อันหนึ่งความชราของแผ่นดินน้ำภูเขาพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นต้นได้ชื่อว่าอวีจิชราชราไม่มีเปลวความแปลกนั้นก็ไม่มีเหมือนกัน อนิจจตาความไม่ยั่งยืนแห่งรูปมีการแตกทำลายเป็นลักษณะมีความสุดลงไปเป็นกิจมีความสิ้นความเสื่อมเป็นผลมีรูปแตกทำลายอยู่เป็นเหตุใกล้โอชารูปกาวลิงการาหาน มีโอชาเป็นลักษณะมีการนำมาซึ่งรูปเป็นกิจมีการค้ำจุนร่างกายไว้เป็นผลมีวัตถุอันพึงทำให้เป็นคําแล้วกลืนกินเป็นเหตุใกล้สัตว์ทั้งหลายยังชีวิตให้เป็นไปได้ด้วยโอชาใดคําว่ากาวะลิงการาหานี้เป็นชื่อแห่งโอชานั่นแหล รูปที่มาในพระบาลีมีเท่านี้เองอุปาทายรูปเพิ่มเติมจากมติเกจิอาจารย์แต่ในอัถกถาท่านนำเอารูปอื่นๆอีกคือพละรูปรูปคือกำลังหนึ่งสัมภาวะรูปรูปคือน้ำสัมภะหนึ่งชาติรูปรูปคือความเกิดหนึ่งโลคะรูป รูปคือโรคหนึ่งตามมติของอาจารย์บางพวกมีอีกคือมิทา ร, รูปรูปคือความง่วงดังนี้แล้วจักเอาคำพระบาลีมากล่าวว่าอัตตามุนีสิสัมพุทโทนัตินิวรนาตะวะพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสรู้เองแน่แท้นิวรทั้งหลายหามีแก่พระองค์ไม่ดังนี้เป็นต้น แล้วคัดคานว่ามิตรรูปไม่มีแต่อย่างเดียวเท่านั้นในรูปนอกนี้โรคะรูปก็เป็นอันถือเอาแล้วโดยถือเอาชรตาและอนิจจตาชาติรูปก็เป็นอันถือเอาตามอุปัจยะและสันตติสัมภาวารูปถือเอาตามอาโปาธาติภละรูป ถือเอาตามวาโยธาต้เพราะเหตุนั้นจึงลงสันนิษฐานได้ว่าในรูปเหล่านั้นไม่มีรูปที่แยกเป็นส่วนหนึ่งแม้แต่รูปเดียวอุปาทายรูปนี้มียี่สิบสี่อย่างกับพูตรูปที่กล่าวมาก่อนสี่อย่างเพราะฉะนั้นจึงเป็นรูปยี่สิบปดอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งด้วยประการชนิด รูปหนึ่งรูปทั้งปวงนั้นมีอย่างเดียวโดยนยยะเป็นต้นว่ารูปเป็นนาเหตุคือไม่ใช่เหตุเป็นอาเหตุุกะคือไม่มีเหตุเป็นเหตุุวิปยุตไม่ประกอบกับเหตุเป็นสั์ปัญญาเป็นไปกับปัจจัยเป็นโลกิยะคือถูกประกอบไว้ในโลกเป็นสาสวะ เป็นไปกับอาสวะเท่านั้นรูปสองรูปสองอย่างด้วยอำนาจแห่งหมวดสองคืออจฉติกะรูปภายในภาหิระรูปภายนอกโอลาริกะรูปหยาบสุขขุมรูปละเอียดทูเร รูปในที่ไกลสันติเกรูปในที่ใกล้นิพพานรูปรูปสำเร็จคือสมบูรณ์อนิพพานรูปรูปไม่สำเร็จคือไม่สมบูรณ์ปัสสาทรูปรูปใสนปัสสาทรูปรูปไม่ใสอินทรียรูปรูปเป็นใหญ่ อนินทรียรูปรูปไม่เป็นใหญ่อุปาทินรูปรูปที่กรมครองอนุปาทินรูปรูปที่กรรมมิได้ครองเป็นต้นในรูปเหล่านั้นรูปห้าอย่างมีจักขุรูปเป็นต้นจัดเป็นอัจฉติกรูปเพราะเป็นไปเฉพาะอัตภาพ รูปที่เหลือจัดเป็นพาหิระรูปเพราะเป็นไปภายนอกอัตภาพนั้นรูปสิบสองอย่างคือรูปก้าอย่างมีจักขุรูปเป็นต้นมีรัสรูปเป็นที่สุดกับธาตุสามอย่างเว้นอาโปธาตจัดเป็นโอลาริการูปเพราะสามารถกระทบได้รูปที่เหลือจัดเป็นสุขุมมรูป เพราะเป็นสิ่งตรงกันข้ามจากโอลาริกรูปนั้นรูปที่เป็นสุขุมรูปนั่นแหละจัดเป็นทูเรรูปเพราะรู้ได้ยากรูปนอกนี้คือโอลาริการูปจัดเป็นสันติกเกรูปเพราะรู้ได้ง่ายรูปสิบแปดอย่างคือท่าสี รูปสิบสามีจักขุรูปเป็นต้นและกาวลิงกาลาหารจัดเป็นนิพพานะรูปเพราะลวงปริเฉทรูปวิการะรูปและลักษณะรูปเสียแล้วกําหนดถือเอาได้โดยสภาพเดียวรูปที่เหลือสิบจัดเป็นอนิพพานะรูปเพราะเป็นรูปตรงกันข้ามจากนิพพานะรูปนั้น รูปห้าอย่างมีจักขุรูปเป็นต้นชื่อว่าภาษาทธรูปเพราะเป็นรูปใสผ่องดุจหน้าแว่นโดยเป็นปัจจัยรับอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นได้รูปนอกนี้ชื่อว่านประาษาเธรูปเพราะเป็นรูปตรงกันข้ามจากภาษาเธรูปนั้นภาษาเธรูปนั่นเองรวมกับ อินทรียารูปสามีอิทธินรีย์เป็นต้นชื่อว่าอินทรียารูปเพราะอัฏฐว่าเป็นใหญ่รูปที่เหลือชื่อว่าอนินทรียารูปเพราะเป็นรูปตรงกันข้ามจากอินทรียารูปนั้นรูปที่ข้าพเจ้าจะกล่าวข้างหน้าว่ากรรมชรูปจัดเป็นอุปาทินรูปเพราะเป็นรูปที่กรรมครอง รูปที่เหลือจัดเป็นอนุปาถินรูปเพราะเป็นรูปตรงกันข้ามจากอุปาถินรูปนั้นรูปสามรูปทั้งปวงอีกนั่นแลเป็นสามอย่างด้วยอำนาจแห่งติกะคือรูปหมวดสามคือสนิทสนาติกะและกรรมชาทิติกะ ในรูปเหล่านั้นรู ป, ปายตนะในโอลาริกรูปส2บสองเป็นสนิทัสนะสัปติคหรูปคือรูปที่เห็นได้และกระทบได้โอลาริกรูปที่เหลือสิบเอ็ดเป็นอนิทัสนะสัมปติคหารูปคือรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สุขุมเมรูปทั้งสิ้น เป็นอนิทัศนะอปปิฆะรูปคือรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้รูปสามอย่างด้วยอำนาจแห่งสนิทัศนติกะดังกล่าวมานี้เป็นอันดับแรกโซนรูปสามด้วยอำนาจแห่งกรร ม, มาชาติติกะพึงทราบดังนี้คือรูปที่เกิดแต่กรรม ชื่อว่ากรร ม, มชรลูรูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นนอกจากกรรมนั้นคือจิตฤดูและอาหารชื่อว่าอากรร ม, มชรลูรูปที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆก็ไม่ใช่ชื่อว่าเนวกรร ม, มชนากรร ม, มชรลูรูปที่เกิดแต่จิตชื่อว่าจิตต์ชาลู รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นจากจิตนั้นช <ố sap> ื่อว่าอาจิตตชรูปรูปที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆก็ม่ใช่ชื่อว่าเนวจิตตชนาจิตตชรูปรูปที่เกิดแต่อาหารชื่อว่าอาหารรัชรูปรูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นจากอาหารนั้น ชื่อว่าอนาหารัชรูปรูปที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรอะไรก็ไม่ใช่ชื่อว่าเนวะอาหารัชนะอนาหารัชรูปรูปที่เกิดแต่ฤดูชื่อว่าอุตตุชรูปรูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นจากฤดูชื่อว่าอนุตตุชรูป รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆก็ไม่ใช่ชื่อว่าเนวะอุตุชนะอนุตุชรูปรูปสามอย่างด้วยอำนาจแห่งกรร ม, มชาติติกะดังกล่าวมาฉะนั้นรูปสี่รูปทั้งปวงนั้นอีกแลแบ่งเป็นสี่อย่าง ด้วยอำนาจแห่งทิฏฐาทิจตุกะคือรูปสี่มีทิฏฐรูปเป็นต้นรูปะรูปปาทิจตุกะรูปสี่มีรูปรูปเป็นต้นแล้ววัฏฐาทิจตุกะรูปสี่มีวัตถุรูปเป็นต้นอันดับแรกรูปสี่อย่างด้วยอำนาจแห่งทิฏฐาทิจตุกะพึงทราบดังนี้คือ ในรูปเหล่านั้นรูปายตนะชื่อว่าทิฏฐรูปเพราะเป็นวิสัยแห่งการเห็นสัตทายตนะชื่อว่าสุตตารูปเพราะเป็นวิสัยแห่งการได้ยินสามอายตนะคือคันทะระสะผลทพะชื่อว่ามุตตรูปเพราะเป็นวิสัยแห่งอินทรีย์ที่รับอารมณ์ที่เข้ามาถึง รูปที่เหลือชื่อวิญญาตรูปเพราะเป็นวิสัยแห่งมโนวิญญาณเท่านั้นส่วนรูปสีด้วยอำนาจแห่งรูปะรูปาทิจจตุกะพึงทราบดังนี้คือในรูปเหล่านี้ที่เรียกว่าดิพันนรูปชื่อว่ารูปะรูปอากาศธาทธาชื่อว่าปริเชทรูป รูปมีกายวิญยัตเป็นต้นมีกรรมมัตาเป็นที่สุดชื่อว่าวิการารูปความเกิดความแก่และความแตกดับชื่อว่าลักษณะรูปส่วนรูปสี่ด้วยอำนาจแห่งวัฏฏาทิจตุกะพึงทราบดังนี้คือในรูปเหล่านี้รูปใดเป็นหัยรูป รูปนั้นเป็นวัตถุรูปไม่เป็นทวาระรูปวิญญัติรูปทั้งสองเป็นทวาระรูปไม่เป็นวัตถุรูปภาษาเทรูปเป็นทั้งวัตถุรูปและทวาระรูปรูปที่เหลือไม่เป็นทั้งวัตถุรูปทั้งทวาระรูปรูปสี่อย่างด้วยอำนาจแห่งวัฏฏาทิจตุกะ ดังกล่าวมาชน่นี้รูปห้ารูปทั้งปวงนั่นอีกแบ่งเป็นห้าอย่างด้วยอํานาจแห่งรูปเหล่านี้คือเอกะเชะรูปรูปเกิดแต่ปัจจัยอย่างเดียวทวิเชรูปรูปเกิดแต่ปัจจัยสองอย่างติเชรูป รูปเกิดแต่ปัจจัยสามอย่างจตุเรูปรูปเกิดแต่ปัจจัยสี่อย่างนักูโตจิชาตรูปรูปเกิดแต่ปัจจัยอะไรอะไรก็ไม่ใช่ในรูปห้าอย่างนั้นรูปที่เกิดแต่กรรมอย่างเดียวและรูปที่เกิดแต่จิตอย่างเดียวชื่อว่าเอกาเชรูป ในรูปที่เกิดแต่กรรมและรูปที่เกิดแต่จิตอินทรีย์รูปกับอทัยวัตถุเป็นรูปที่เกิดแต่กรรมอย่างเดียววิญญาต ร, รูปทั้งสองเป็นรูปที่เกิดแต่จิตอย่างเดียวส่วนรูปใดเกิดแต่จิตก็ดีแต่ฤ ด, ดูก็ดีรูปนั้นชื่อว่าทวิชรูปได้แก่สัตยยตนะอย่างเดียว รูปเกิดแต่ฤดูจิตและอาหารชื่อว่าติดชรูปได้แก่วิการรูปสามมีละหุตาเป็นอาทินั่นแหละรูปเกิดแต่ปัจจัยสี่มีกรรมเป็นต้นชื่อว่าจตุเชรูปได้แก่รูปที่เหลือเว้นลักษณะรูปคือชาติชราพังคะหรือมอรณะ ส่วนลักษณะรูปเป็นนกุโตจิชาตรูปคือรูปที่ไม่เกิดแต่ปัจจัยไหนๆเพราะเหตุอะไรเพราะความเกิดแห่งความเกิดหามีไม่และอีกสองอย่างเป็นความงอมไปและแตกไปแห่งรูปที่เกิดแล้วแม้ชาติที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆซึ่งท่านยอมให้ไว้ในพระบาลีว่าธรรมะทั้งหลายคือรูปายตนะ สัทธายตนะคันทายตนะราสายตนะพุทธพายตนะอากาสาธาติอาโปาธาติรูปัสลาหุตารูปัสมุตุตารูปัสกรรมยตารูปัสอุปจัยะรูปัสสันตติกาวลิงการาหานเหล่านี้มีจิตเป็นเหตุเกิดดังนี้เป็นต้นก็พึงทราบว่า ที่ท่านยอมให้เพราะชนก ป, ปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายปรากฏในลักษณะคืออนุภาพแห่งกิจนี้เป็นคามุกอย่างพิสดารในรูปประขันเป็นอันดับแรก